ขึ้นมาแล้วล่ะบอกว่าทำาปันจำนวนที่มันขาดขนาดนั้นน่ะก็ไม่มีปัญหาเขาภาวณาก็เป็นอันว่าเครื่องมือตัวนี้มันจะอยู่อยู่ตัวอย่างเก่าหรือไม่พอเราสั่งซื้อเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันเดือนก่อนเดือนเดือนพฤศจิกาธันวาระวกมกกระลาต้นๆเนีนย่ยเขาจะอาจจะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบ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 คนเข้ามาในโรงพยาบาลขนาดมาโรงพยาบาลตอนเช้าเข้ามาตรวจสุขภาพตรวจโรคเนี่ยเป็นสองสามพันะมันไม่ใช่น้อยนะพี่น้องประชาชนจัตไทยญาติโยมลูกหลานนะหลวงพ่อไปเห็นแล้วโอ้อพวกเราอย่าเจ็บอย่าปว่ยาปวยอย่าป่วยอย่าไข้น ะ, เ, ะเป็นไข้แล้วมันไปเห็นแล้วหน้าจ้อยง่อยงเงาอที่จะไปหาหมอไปรักษา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 เป็นพิษเป็นภยัยเสือดาวเสือโค้งเป็นพิษเป็นภัยต่อสรรพสัตว์แต่แต่ละกลุ่มแต่ละหมูนั่นะก็มันล้วนแล้วแต่พิษภัยมันมีอยู่แต่ละกลุ่มของสรัรพสัตว์ท้งหลายแต่ขนาดมนุษย์อยู่ด้วยกันก็ยังมีพิษภัยอีกึพิษภัยของมนุษย์ต่อมนุษย์ด้วยกันคืออะไร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 นางธรณีบิดมวยผมน้ำนองไปพยามาเก็เลยล้ลมระดีระนาดออกไปทั้งหมดน้ำพระไทยของพระองค์นี่เป็ว่าความหนาแน่นหนักแน่นในน้ำพระไทยของพระองค์ทุกอย่างทั้งเมตตาทั้งสัจจะทั้งอธิษฐานทั้งความมั่นคงในพระไทยของพระองค์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 เจอสัพสัตคนนั้นถ้าหากว่านอกจากนั้นลงมาแล้วกามมกิเลสตัวนี้แหละเป็นยาเสพติดอย่างร้อยแรงทำให้โลกทางหลายเตือดร้อนวุ่นวายไปทุกหัวหัวและแห่งอันนี้คือพระพุทธเจ้าเป็นธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่บอาเป็นพิษภัยในการเป็นอยู่ของสัพสัตทั้งมวลไม่ว่าสติรชาน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 ถ้าพวกสามัญชนเราพูดเนี่ยเป็นแปลว่าเอามาพูดเอามาประจานกันเพราะมันติดเป็นยาเสบติดทุกคน <c oughs> แต่เอาทำคำสอนของพระพุทธเจ้า <c oughs> เอายกพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นกระจกเงาพอทำเงาแต่ถ้าจะพูดแบบดุ่ยขึ้นมาเนี่ยไม่ได้โลกทั้งโลกเขาประนามเพราะเหตุไรเพราะมันเป็นยาเสพติด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 มีอะไรคือผู้หญิงกับเงินอันนี้ให้ระวังอันนี้หลวงพ่อพูดเตือนพวกลูกๆของหลวงพ่อนะอให้ระวังต้องสองตัวเนี่ยให้ระวังให้ระวังถ้าหาว่าเตรียมตัวเตรียมพร้อมระวังจุดนี้ได้หลวงพ่อตลอดปลอดภัยแต่หาว่าเตรียมตัวรักษาตัวนี้ไม่ได้นะอันตรายอ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 เหล่านี่แหละอันนี้เราก็ต้องมองมองดูมองดูทั้งหลวงปู่ล่าด้วยทั้งหลวงตาด้วยครูบาอาจารย์ที่เป็นสหธรร ม, มิกด้วยที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาองหลวงตาบั่งนี่แหละจากนั้นเราก็เดินตามแนวแถวครูบาอาจารย์พาดําเนินแต่หลวงพ่อเอหลวงพ่อเองก็มั่นใจมั่นใจในการเดินตามแนวแถวที่ครูบาอาจารย์พาดําเนินมัน